เพราะเหตุไรคนบางคนค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่มุ่งหมายไว้พุทธดำรดตอบบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วย่อมปวารณาว่าท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์มาเถิดแต่เขาถวายปัจจัยยิ่งกว่าที่ได้ปวารณาไว้ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ เขาทำการค้าขายอย่างใดๆเขาย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์